Book 2ห้ประเทศและภาษาเคชวาร์ฮอและซาบอจอห์นมาจากลอนดอนจอห์นเอชเลลอนดอนอัส ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษลอนดนอนรอรดาร์เอ็งเจลส์ตันตารอดอราเขาพูดภาษาอังกฤษอูอ็งลีซีศกบัตมีคอ น, นันมาเรียมาจาก ม, ม, ามาดริดมาเรียอัลเล่มา د ริดอัส มารดิรดอยู่ในประเทศสเปนมป า, น า, ปร า, ารดิร์ดจากสเปนยอร์ตอร์โดดเธอพูดภาษาสเปนอูเอสย ا ร ی ص ี ب บัมีคอนาดีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลินพีเตอร์และมาธา อเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันคุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมคุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมัมีช่ไหลอนดอนเป็นเมืองหลวง ามาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงมาดริดและเบอร์ลิน ham พอท์เมืองหลวงใหญ่และเสียงดังอยทักทบฮ่าบูซอร์และปอร์เซดตประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป ฝรั่งเศสดาร์อรุารรอดร์ดาดประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกาเมสดาร์แอฟริการรอดร์ดาดประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียญี่ปุ่นดาร์อเซียกรรอด์ดาด ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาดั้ ش อเมริกาเหีือประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานามาดั้งอเมริกากลางประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้